Gemaga. Ka hun mee phai luk. Nang kin bat kin meung tai baw. Ko luk ma ta heu mu laew. Ni ha luk phai ka haeng pai ta sang. Manang ao bat ni nan. Ja jom na bat ni. Jom nyu bo เท่านั้นได้จมเก่งอยู่บ่ล่ะจ๊ะแล้วแห้ง A-bun-kona-bun-vi-vi-ya. Thì tì tì tì tì ha a la hung chong mo chong to Vì cha chay cham bán no chuk kàn tho lo ka vì thu b vi vi vi vi vi vi vi nan su n to n บ่ท่อถามนี่นี่นี่ล่ะเอาบุญบ้านนี้อยากฮู้ว่าเจ้าของได้บุญ บ่มันบ่知นางบ่ว่านาสิได้บุญลาไปได๋ Pud clocks c nonethelessn chilling. Pud cho thi! Pud cho! M dividends, Pud cho! Marquva rero rero! Pud jul ko! Kud si kin ny照 nom tu! Pud cho dhe! Bụt ho pe lán vô châm đáy nó và kháy nọ vững. Na bưng tên là Giai dìu hù พยายามเลิกเลียบ่แต่พูดโท 8 มากเบิ่ดแล้วเด้อเบิดก็สร้างมันอย่ามากวนข่อยสิเอาบุญ บาดนี้ตอใดสิมาใหญ่บาดนี้บาดก็ได้ร้อยคักออกเลยออกอีอีเลยบาดนี้ <c oughs> ที่เอาขาขาดเพิ่นบาททดโทนนึงทดเฮ้อเฮ้อไป 30 ไปเล่นบาดนี้ วางไว้เด้อใหญ่เค้าห้ามเล่นเบอร์แม่ใหญ่บาพวกเฮ็ดสมาธินี่สิ เพราะว่าที่สิไปหลมบอกอีกปั๊บเสร็จบ่ของน้องเขาก็วินธภูมิบุญบาดนี่เฮ็ดนําพ่อนําแม่ดี นั่งโพโตเห็นเลข 3 โตมาซื้อ 10 บาททึกซักเค้าที่ให้อยู่ตอน บ่ได้อันนี้มาเขาเอง <iron ic ierungs> <laughs> โอ้ยที่ไยเนี่ยกระโดด 3 ตัวมาเนาอยู่ผิดที่ตะแกรงโหไผบ่ไปหาน้ําเมื่อเออเออแม่ใหญ่เด้อย่าเด้อ คือแต่นําลูกนําหลานนี่ยายสินั่งเข้าเฮือน อาตมาเลื้อบอกให้ฟังหั่นอาตมาไปเทศนี่บ่แม่นจะไปเทศสื่อๆ เอาอยู่บ่พระตายเครื่องสังฆทานเอาหยังแน่ไป มณีมนต์อาตมาไปอาตมาบอกว่าบ่บ่อยาก เขียนใส่น้ํานั่นวิญญาณอยากได้โตนั่นคือองค์นําทางวิญญาณ Ge всего nine, bagun invest all the kind, garun santa go the salliya go the morally inside now is all THU GECTnic stripoquio Man Jul weiterhin gives of the 10th day either way she wants to see not the height My son understood a workout My son قال an incredible My son เพราะว่ามีวัดเดียวในประเทศไทยที่ปั้นพญานาคขันหัวเข้าน่ะ เมื่อนี้ขึ้นนี้บาดถ้าคนตกเพิ่นก็ออกมาเล่นน้ํากันต้นเออแต่ว่าอาตมานถ้า แม่อาตมาก็บ่เสื้อน้องทีแรกเพิ่นบอกให้ปั้นแน่พญานาคจั่นสอนบุญมาอยู่นําสิได้ซอยแม่พ่อบ้านสุขแมนบ้าน เด็กน้อยออกมาไปน้องพ่องูปลาเต็มขยับงู ละวัดอาตมาปกตินั่นบ่ได้ออกภาษาก็สึกเหลืออยู่ 2 องค์อาตมากับพระประธานแล้วพระสิมาบวช วัดลงประเสริฐพี่เขาไปปั่นพญานาคเขาเออพุ่นว่าบ่ทันใส่เด้อว่าล้วนดับบักนี่ปั่นไปปั่นมาบ่ขับรถไถใหญ่เอา ใหญ่ปฏิหารเลยปั้นแล้วเดือน 4 นาคไหลมาบวชเลย 25 องค์ 4 เลยอย่าว่าม่วนจังไดอาตมาได้นิด 49 เนาะ 49 พวกติดยาบ้าพวกออกจากคุกมาหลายหลายแม่เอามาฝากตายแล้วกูขาดบ่ตายคักๆจนพี่ตึกบักสาตายโอ้ยพ่อไปหน้าซอยแน่เด้อตะมา เฮ็ดจได๋เนาะจิให้มันหนีน้องเพิ่นจะได้มันตั้งคดเลยแหละหนุ่มผักขาวบ้านตื่น 03:00 น. บ่ท่านไม่ต้องบวชห้อง นาk ไม่ได้ไม่ มันได้เบิดเลยได้เสียเปรียบมันมันก็เลยได้ ถ้าลากเพิ่นก็กราบบ่งามนะกราบคือลิ้นแม็กๆคือกราบบ่งามไม่สิข้ามสิข้ามบ่ได้ได๋กราบ บ่อย่านซะบ่ผีบ่อย่านพ่อแม่อยากเจอเจอแท้อีว่าอยาก เอาสาดไปปูเอาหมอนวางเลยคือโศกเลยบ่วิมิตรเลยแท้บ่มีฐานเอามุ้งคล้องคล้องบาด 3:00 น. เอไปนอน หลายอย่างมากพอดีในทํามื้อนี้เมื่อคืนไปนอนไสยังว่าว่าพอไปนั่นหมองพอพี่ก็ไปเจออะไรมั้ยไม่มีอะไรในกอไผ่ลุงพ่อยิฮัดตัว ตัวไปสักตัวนั้น fur PC ของเจ้าที่คลลบอมหมอกใน East Canvas ใต้หวง deutlich พบ seeing India หังรับสิหน่า Alta Mata ไหร่บค benefit you ยกเจออหน่อยอิหยกเจอจะให้เจอ อικปฏอีก rem to refresh it. issements mee a wear it i pament et kun t Ink. แมว ü xagt无 naprawdę pero e жел... W no life ロออสิ y esttu tall you เอาเออあชม beautiful... ฝ่าครับOC ตัวคะ Bien rey ตัวตัวว te beautiful Turkishroy อาตมาก็ว่าแล้วบั่นแม่ธรณีเด้อพอภูมิอยู่ที่พญานาคราชแม่นตำแล้วอยากเจอผีให้เราเจอแน่เด้อเอออาตมาอารุมัติเลยเออแล้วบ่เข้าพรรษาได้ หักดำๆเจ๊จ้อยนูวัดสะโลเสื้อบ่ใส่คนย่างนําคน ไปโทกแน่พระที่ตาพอดีเองยืนของปานไห้นี่ถึงโกปานไห้ก็ตกนมกันหำ เพิ่นบ่สร้างผู้หมู่บ่ได้ออกไปพระ 2 องค์ย่าออกก่อนพญาน้ํากดพ่อใหญ่มายืนอยู่ข้างกบไสหน้าแน่เพิ่นยังมาไสคือบ่เมื่อเสือกก็บ่ เอาอีกแล้วอีกแล้วยืนโคโล๊ะไปนี่ยังบ่เห็นพระที่มูสาอาวานิพระ บ่ว่าใหญ่อยู่เบิ่งแต่โผนตินะเสื้อบ่ใส่เด้คือ อีหยังอีหยังก็อีหยังล่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็มายืนอยู่ข้างประตูโคก ไปได้ยังเมาอย่าบ้าอยู่บ่เข้าไปห่างผ่านไปองค์ 2 เมากาแฟบ่ไปองค์ 3 ขึ้นเฮดบ้านบ่องค์ 4 เป็นอะไรหน้าเวลาบ่องค์ 5 เห็นบ่เดียวบ่แม่นผีบ่อเขาย่าง ยังไว้อีกความเว้าองค์สุดท้ายเป็นผู้เดียวบ่เป็นเห็นผี ยังบ่เคยติดครูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยอย่าจาก 6:00 น. จน 2:00 น. บ่ไปไสเลยนั่งตีละครั้งไปรับอาหารถือบาดไป หัวดิเช่นอาตมานั่งนู่นเพิ่นก็มาก็นั่งข้างศาลา ก่งเนาะบ่ปานสั่นไปสั่นมาได้ 4-5 คำหน้าพ่อใหญ่ ตอนกระทางว่าบาดนี้ 3:00 กว่าให้โอวาดแล้วเกือบ 4:00 กับบุติเพิ่นภายบาดกลับเลยใหญ่ๆยังแว๊บๆไปบุติเข้าคอนโมเลยปิดประตู กินลากันนอนบ่คือเพิ่นใด๋ไหลๆดีมือเหี่ยวออม ป่ามาหาหมู่ย่านหลายหมู่เพาะก็ บ่ย่านหยังคือกันคิ้วเพิ่นตีละครั้งเหมือนงงๆๆแล้ว 6 โมงแลงเพิ่นก็มานั่ง ซ่บไปเลยแน่นต่ำนั่งอยู่ข้างเพิ่นเห็น ขึ้นรถเด้อตะหนึ่งขี่รถไทเกอร์เนาะมีแคมนําเน้นตามเผ่าวัดเด้อบ่เด้อใจเพชรพานางม้วยเผ่าวัดเด้อบ่เด้อบาดเดี๋ยวทําบ้านสีเข่าหยังแล้ว โอ้ยพระท่าน 25 องค์มันดีแล้วได้มันดีแล้วนั่งได้แคบแค่รีบบ่อยข้างหลังๆเลย 3 คน 4 3 ลงมาแหมใน โอยคือบักครับแฮงจังเลยสิล้มหรือบ่ล้มดึงข้อผ่านุ้มล้ม เล่นต่ํามันเจ็บเด้จําเป็นยังเจ็บเออๆเล่นต่ําพ่อ ไปวัดใดนี่ 2:00 น. นี่เสนเลยวัดหม่องใดเปิดหลายบ่หลายเห็นหมดเลยเป็นหยังจะไปจังซั่นผีบอกบ่แม่นพญานาคเพิ่นเปิดให้เพิ่นฟอมเป็นพญานาค ตตายหลายเด้พอว่าหยังภาริยะเมตตาเป็นเป็นเป็นเป็น บรรจงการมาคือกันอาตมากําลังสร้างวิหารพราญาเมศไก่สิยกชัดนี่ไว้ไหว้นี่อาตมาเฮ็ดชัดเพียงแต่ว่า ทางพวกติดคุกหนักกันแม่ใหญ่สิว่าสวมผู้ใดกี้เหล้าผู้เออประเภทนั่ง นั่งตายนอนตายชนบุรีเค้าลูกศิษย์โทรมาบอกว่าเศรษฐีอันดับ 1 <c oughs> ผู้บ่าวลูก 2 บ่แม่ผู้บ่าวโสดนั่งเบิ่งไปเบิ่งมาก็ เราพากันร่วมบาดเดียวว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้หมอทําว่าปอกไปหาโรงพยาบาลเสริมเพิ่นน่ะแล้วโรงพยาบาล แม่ทรณีคฬวะครุ้มเตทีผู้บ้านผู้ซ่อมคฬวะเออปู่ถวายให้หลวงพ่อบุให้อธิษา พอกลับแว่ดิไปเท่านั้นปั๊บอาตมาก็เลยขอบารมี 8 ศอกตั้งแต่พันปี แล่ไปแล้วมาเบิดทุกราคาถึงได้ย่านตายเดี๋ยวนี้ Hãy áo đú đú ra sa ma thị Nhàm mạc nang cuộn nhanh áo bùn kè rảy Giá dì hẹn mất vàng bùn Phụt thơ Sia nhà áo bùn mặt I tí tí chô Cô cô cô cô cô Chôc mô chô Giá dùm mô áo อย่าไปป๋อยอย่าไปว่าผู้ใดคนเฮือนมีบุญนี่สิเว้าม่วนๆตัวอย่าผิดกันคำล่ะนี่ บ่บ่ใส่คืนปึ๊บปังแม่เงาะเมียมีบุญเมียสลาดบ้านบ่ นายอากแข็งแรงยามน้อยก็มียิอ่อก็จัดจรลายัดสโมหลายเดเมีย มันมันเตมาถ้ามันเว้าเพิ่นเข้ามันสิมันเตเฮาย้อนหยังย้อนเฮาว่า Phú kín lao chắc dì cú cắn dhe peda kháu nhằm kháu mao hàm da Miya ngô peda khú nhằm mao Tho tổng hiền hươn hao mih ngưy bún Tho khú mao mô kháu bát phúm khú mao lao thè Mao kwa sang phúm chì Kứ chẳng mao sóng bửa là sang lao Cú bó khơi hài phúm bụt ạ Khơi hài lao hiệt nhằm Na thơ đấy thùng kó bí tư phú phú phú phúm hít choi choi bò ข้าก็พร้อมกูตัวใครก็เหอะกูตัวขนาดดำหน้ากูยังดำ ต่ออะไรยังไงครับย่อมเอาโลดผัวเจ้าของน่ะสิสิปึกหลายเอาหนับนะ เมามาดอกเตะวิธีปราบเด้อลูกนี้ถ้ามันเมาว่าก็ตัดน้ํา Thì chết kỳ nhọn thiếng Phú ái dì phú sai vứt tù khun Ả tớ mạc và phú sai Mạc thí thú tù khun bộc bảo Mưa là chiếng bộ Mưa là chiếng bộ Mưa là chiếng bộ Chút thu Thì chú bốc đọc vay Thiền phù đường Áo บ่ได้เบิ่งหม่อมทานน่ะเอาติเออท่านเราก็แล้วไปบ่เอาอีก แจงของผู้เอ๋ยไผว่างเท่านั้นจะจับหลัก kau phụ mấy chớ thôi chi phụ đọt kiến phụ nam mà nó nó lại tơm lên 10 bao nhiêu ไปพุ่นเดี๋ยวสิผ่านต้วนน้ําหิวไปทางนั้นใกล้ๆใกล้ๆขาแท่งน้ําน่ะหันหน้าไปทาง บ่ล้ําเด้อพงล่างเอาเลี้ยงกันเลย 9 คู่นั่น เสียบน่ะเลยเสียบกระถางทุบเลยน่ะอ้าวเออ แล้วโชคนี้แล้วก็ไปทันทีเพิ่น แล้วบ่อบ่อมหาที่มาอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยว เออตกกระเท่ก็เอาใส่เอาใส่นํากันเออ Thế bà lạc bà lì phò mè phù nha ta nhai nè phái bà cho hiếp nâm, đúng bà. Ơ, nếu phò mè cho khó, tí là nộp ao nàn. Phú đáy thanh con, nộp ao tí là phú chút thu, phò mè phù nha ta nhai, đơ, phú ao, đơ. Bà... Nắng hạt leo cho phân nhằm say, bây giờ ác không vên, chứ phải ác không vên thế nàn. บ่บ่ถวายไปแล้วหันอยู่ในหั่นนั่นพุ่นๆๆๆๆนะบ่ต้องใส่ห่อซองนั่นพุ่นๆได้จ่อยเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นนั่นเออบ่งเตอามาเดินเจ้าของบ่เดิน oh, ไปแล้วแล้ว เป็นหยังจะเป็นจั่งสิมาท่านๆ พระท่านเบื่อแล้วน้องเอาเด้อ เป็นหยังเว้าขึ้นยังผู้ปั๊บผู้ปั๊บพอ เบิ่งเพิ่นเด้อแม่ออกหมดทุกคนเบิ่งเพิ่นเด้อเบิ่งมหานี่ไว้ไป เนี่ยแล้วเออถึงไปหันแล้วเออย่อมมาท่านท่านนะใส่หลักครูไม่ 7 ปีแล้วนี่ดาวชิดฉางเออบ่จําอยู่ ใคร่ผ้ามานี่ใคร่ผ้ามาโอ้ยจะเป็นเข้าทีมไว้ ได้บ่ครับมีบุญไปเกียรติเออเพชรผู้เฒ่า เฮ็ดหยังก็ผิดปกติบ่เซาจุดธูปรถ 9 ดอกถ้าเจ็บ Lụt khó on khó nhom Lụt nhom là lạ Lụt xưa là bạp căm Xưa leo Thà men chinh Hay lụt xao vơ Hay xao phô cà tí Thà lụt xao phô cà tí Mùa nãy lụt chỉ phải hết bún xa cà than cắp nôp hoa bún sớm hảy <cười> Long va vơ ถ้าผู้ข้าเสาสิไปถวายเลย 40,000 บาทท่านถ้าเช้า กะไปนี่ก็เฮ็ดกะ 4,000 4-5 4,000 อย่าบ่อยากเซาไปจ้างหมาเดื่อ ต้องไปนับกับเพิ่นดอกเออนั่นเอาไปตั้งหานบ้านนี่ตั้ง อ้าวพะน้องเบิกเทินโอยมหามหาที่ได้บุญหลาย นั่นสิเอามาใส่น้ำเผาอยู่ เมื่อแม่ตรวจน้ำเด้นะบูชามิบูชาพุทธบูชาธัมมะบูชา องค์พระพุทธเจ้าองค์พระอมพุนำสร้างผู้เจ้าโลก สังคทานกลับมาต่อพระพุทธองค์ทุกพระองค์ขอพระบารมีขอพระบารมีพระพุทธองค์ ไตรภูมินี้ 1 สัตตขอพระบรมีพระพุทธองค์ จumlah ขอพระบารมี 16 ชั้นฟ้า บ่ทานให้ดวงวิญญาณวิญญาณที่ผู้ข้าสิเอิ้นต่อไป Bītā mān dā, Úpaśa ātrān, Phò mē, Phù nha tả nhai, Khóng phu khā thu khôn, Phù thuột nha thuột, Châu cằm đáy veen, Cằm đáy veen đáy, Tay sát đáy đáy cò di, Khó á บริเวณนี้นี้บริเวณภาคภูมิเขต 4 บริเวณประจำวัดนี้ประจำ บ่ความโอมโยอีลูกหลานได้กระตัญญูได้ทายบาป <S S 2> ผู้ที่ยังบ่ได้ทุกดวงวิญญาณทุกข์ดวงวิญญาณทุกข์ทุกข์ มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไปเจริญเจริญพัฒนาคนให้สุดยอดสุดยอดเป็น ไปดีถึงโชคไปได้เข้าศาสนาพระศรีอริยะเมตโย ผู้ข้ามีหน้าที่มาโปรดสังขารโปรดวิญญาณ พระแม่ธรณีพระราชทูตพญานาคราชมาเป็นพยานเด้อ 3:03 น. เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอใหญ่เค้าอึดเค้าอยากเด้อว่านี่ครูก้าที่สักอนิจจาให้อนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทจิตวาเนรุจจันติเตสัมมุประโมสุโขอนิจจาวต Anijāvata-sangkhala upadhawaya-thammino upadhita-wani-ru-chanti-tay-sang upadhamo-thukho Muan Paiwan, si kua huu-nyang ni-shoi, si maen-la-bun-la จิตตังปะติตังตุหังคิปะเมวะสะเมนจันโตสัพเพโพเรนตุสังคัมปาจันโทปะนะระโสยัตถามะลิโจทิรโตยัตถาสะพีติโยวิวัชะนตุสัพพะโรโค อภิวาทนาศีลนิสสณิจังกุตาวจายิโนจัตตารโธมวถนติอายุวรรณโสสุขังพลังปรารถนาสิ่งใดอันไม่ผิดศีลธรรมจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเถิดไปมหาไปจับอกุ ผู้บอกมูไปเฮ็ดบอกหมู่ไปไปแม่เธอตั้งแถวเรียงนึง หมดตั๋วบ่กลายปัวเอามาก็มานาง เมตตโยอุกาดทั้งหลายพร้อมเพียงเฮียงหน้าเสียสละร่วมกันร่วมกันถวายสังฆทาน ธรรมสักกะละของทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้สัตตุขอ 16 สัณฟ้า 15 จันดิน 36 ภูมิพ่อนครบดาลพ่อแม่โทรณี บูชาได้กระทําแล้วถวายแล้วตามสัญญาอ่ะค่อยๆเทพะเทศตตาสัมปุเมเทลง ในมื้อนี้ขออุทิศให้บิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ปูญญาตายใหญ่ จากผู้ทั้งหลายผู้ทั้งหลายเป็นเหล่ามอหวมกันมาพอเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาพญานางทราสัพสัตว์ทั้งหลายทุกดวงวิญญาณที่เบิดกรรมเบิดเวรมาเอานํากันเด้อวิญญาณที่ ดาทุกอโหติซึ่งกัลกาลสัญญาณะอโหติสัญญาณะอรหังนาคราชณณโสปัจจุรีสายปรรไกลสายเล็กไหลสัญญาให้รู้ พระสีอริยะเมตตโยทุกข์ทุกข์น้ําเดินศัตรูเกิดกันเงิน I'm going to go like that, it's <laughs>